7. มหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะหนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแควนสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้ว ประทับนั่งนที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสก พ, พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบอพิษบุคคลถึงพระพุทธเจ้าเป็นสราณะถึงพระธรรมเป็นสราณะและถึงพระสงฆ์เป็นสรณนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมหาบอพิษอุบาสกเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธามหาบ่อพิษอุบาสกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา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 อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจากะมหาบาพิษอุบาสกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจากะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่ครองเรือนด้วยเหตุเพียงเท่านี้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 ชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญามหานามาสูตรที่เจ็จบ